ข้มบทแปลเรื่องที่89เรื่องสังกิจจาสามเณรภาคที่สเรื่องที่เกของวรรคที่8สหัสวรรควรรณน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงประารรบสังกิจจาสามเณรตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจาวัสสสตังจีเวเป็นต้นได้ยินว่า กลุ่บบประมาณ30คนในกรุงสาวัตถีฟังพระธรรมคาถาแล้วบวชถวายชีวิตในพระศาสนาของพระศัสดาภิกษุเหล่านั้นอุปสมบทได้หพรนษาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาสดับธุระสองประการคือคันถธุระวิปัสนาธุระไม่ทำอุตสาหะในคันถธุระเพราะเป็นผู้บวชแล้วในเวลาเป็นคนแก่ มีความประสงค์จะบำเพ็ญวิปัสนาธุระทูลให้พระสัสดาตรัสบอกกรรมฐานจนถึงพระอระหันต์แล้วจึงทูลนำลาพระสัสดาว่าข้าพรงคจะไปสู่แดนป่าแห่งหนึ่งพระเจ้าค่าพระสัสดาตรัสถามว่าพวกเธอจะไปที่ไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นกลาบทูลว่าสถานที่ชื่อโนอนได้ทรงทราบว่า ภัยจะเกิดขึ้นในที่นั้นแก่ภิกษุเหล่านั้นเพราะอาศัยคนกินเดนคนหนึ่งก็แต่ว่าเมื่อสังกิจจะสัมเนยไปแล้วภัยนั้นจกระงับเมื่อเป็นเช่นนั้นกิจบนไปชิตของภิกษุเหล่านั้นจกถึงความสมบูรณ์สัมเนยของระสารรบเถรรางชื่อสังกิจจะสัมเนยมีอายุ7ดปีโดยกาเนิดได้ยินว่า มารดาของสังกิจจะสามาเณรนั้นเป็นทิดาของตระกูลมั่งคั่งในกรุงสาวัตถีเมื่อสามาเณรนั้นยังอยู่ในท้องมารดานั้นได้ทำกาละในขณะนั้นนั่นเองด้วยความเจ็บไข้ยอย่างหนึ่งเมื่อมารดานั้นถูกเผาอยู่เนื้อส่วนที่เหลือไม่ไปเว้นแต่เนื้อท้องลำดับนั้นพวกสัปเหร่ยกเนื้อท้องของนางลงจากเชิงตะกร แทงด้วยเหลาเหล็กในที่2อถึงสแห่งปลายเหลาเหล็กกระทบหางตาของทารกพวกสเปรย์แทงเนื้อท้องอย่างนั้นแล้วจึงโยนไปบนกองฐานปกปิดด้วยถาด น, นั้นแลแล้วหลีกไปเนื้อท้องไหม้แล้วส่วนทารกได้เป็นเช่นกับรูปทองคําบนกองถานเหมือนนอนอยู่ในกลีบแห่งดอกบัวแท้จริง สัตว์ผู้มีในภพปเป็นที่สุดแม้ถูกภูเขาสิเนโรทับอยู่ชื่อว่ายังไม่บรรลุพระอรหัสต์แล้วสิ้นชีวิตไม่มีในวันรุ่งขึ้นพวกสัปเหร่อมาด้วยคิดว่าจากดับเชิงตะกรเห็นทารกนอนอยู่อย่างนั้นเกิดอัศจรรย์และแปลกใจคิดว่าชื่ออย่างไรกันเมื่อสรีรรทั้งสิ้นถูกเผาอยู่บนฟืนเท่านี้ ทารกไม่ไหมแล้วจะมีเหตุอะไรกันหนอจึงอุ้มเด็กนั้นนำไปภายในบ้านแล้วถามพวกหมอไทยนิมิตพวกหมอไทยนิมิตพูดว่าทารกนี้จากอยู่ครองเรือนพวกยากตลอดเจเครือสกุลจากไม่ยากจนถ้าจากบวชจะเป็นผู้อันสมณะ500รูปแวดล้อมเที่ยวไปพวกยากขนานชื่อว่า สังกิจจะเพราะหางตาของเขาแตกด้วยขอเหล็กสมัยอื่นเด็กนั้นปรากฏว่าสังกิจจะครั้งนั้นพวกญาติเลี้ยงเขาวไว้โดยปรึกษากันว่าช่างเถิดในเวลาที่เขาเติบโตแล้วพวกเราจะให้เขาบวชในสำนักพระสารีบุตรผู้เป็นเจ้าของพวกเราในเวลาที่ตนมีอายุได้เจ็ดขวบสังกิจจนั้น ได้ยินคำพูดของพวกเด็กๆว่าในเวลาที่เจ้าอยู่ในท้องมารดาของเจ้าได้กระทำกาละแล้วเมื่อเสริระมารดาของเจ้านั้นแม้ถูกเผาอยู่เจ้าก็ไม่ไหมจึงบอกแก่พวกญาติว่าเขาว่าฉันพ้นภัยเห็นปานนั้นประโยชน์อะไรของฉันดรวยเรือนฉันจะบวชญาติเหล่านั้นรับว่าดีละพ่อ แล้วนำไปยังสำนักพระสารีบุตรเถระได้ถวายด้วยกล่าวว่าท่านเจ้า ข, ข้าขอท่านจงให้เด็กนี้บวชพระเถระให้ตาจะปัญจกะกรรมาฐานแล้วก็ให้บวชสามเณรนั้นบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองชื่อว่าสังกจิจจาสามเณรเพียงเท่านี้พระาศาสดาทรงทราบว่า เมื่อสัมเณรนี้ไปแล้วภายนั้นจักระงับเมื่อเป็นเช่นนั้นกิจแห่งบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจักถึงความบริบูรณ์ดังนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงกำลาสารีบุตรพี่ชายของพวกเธอแล้วจึงไปภิกษุเหล่านั้นรับว่าดีละแล้วไปยังสำนักของพระเถระเมื่อพระเถระถามว่า อะไรผู้มีอายุจึงกล่าวว่าพวกกระผมเรียนกรรมฐานในสำนักพระศ า, าสดาแล้วมีประสงค์จะเข้าไปป่าจึงทูลอำลาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระศาสดาจึงตรัสอย่างนี้แก่พวกกระผมว่าพวกเธออำลาพี่ชายของพวกเธอแล้วจึงไปด้วยเหตุ น, นั้นพวกกระผมจึงมาในที่นี้พระเถระคิดว่าภิกษุเหล่านี้ จากเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงเห็นเหตุอย่างหนึ่งแล้วส่งมาที่นี่นี่อะไรกันหนอแลรู้เรื่องนั้นแล้วจึงกล่าวว่าผู้มีอายุก็สามเณรของพวกท่านมีหรือภิกษุไม่มีท่านผู้มีอายุพระเถระถ้าไม่มีพวกท่านจงพาสังกิตจากสามเณร น, นี้ไปพวกภิกษุอย่าเลยท่านผู้มีอายุ เพราะอาศัยสามเณรความกังวลจะมีแก่พวกกระผมประโยชน์อะไรด้วยสามเณรสำหรับพวกพิกษุผู้ที่อยู่ในป่าพระเถระท่านผู้มีอายุเพราะอาศัยสามเณร น, น, นี้ความกังวลจกไม่มีแก่พวกท่านก็แต่ว่าเพราะอาศัยพวกท่านความกังวลจะมีแก่สามเณร น, น, นี้ถึงพระศาสดาเมื่อจะส่งพวกท่านมายังสำนักเรา ทรงหวังจะส่งสามเณรไปกับพวกท่านจึงส่งมาพวกท่านจงพาสามเณรนี้ไปเถิดภิกษุเหล่านั้นรับว่าดีละรวมเป็น31คนพร้อมทั้งสามเณรอำลาพระเถระออกจากวิหารเที่ยวจาริกไปบลุถึงบ้านหนึ่งซึ่งมีพันสกุลในที่สุด 1,20 โยยีพวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่านั้น มีจิตเลื่อมใสอังคาดโดยเคารพแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าพวกท่านจะไปที่ไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นตอบว่าจะไปตามสถานที่ผาสุขภูมีอายุจึงหมอบลงแทบเท้าอ้อนมอนว่าท่านเจ้าข้าเมื่อพวกพระผู้เป็นเจ้าอาศัยบ้านนี้อยู่ตลอดภายในพรรษาพวกกระผมจะสมาทานศีลห้า ทำอุโวสถกรรมพระเถรรัทั้งหลายรับแล้วครั้งนั้นพวกมนุษย์จัดแจงที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมและบรรณศาลาถึงความอุสาหาว่าวันนี้พวกเราพรุ่งนี้พวกเราได้ทําการบำรุงภิกษุเหล่านั้นในวันเข้าพรรษาพระเถรรัทั้งหลายทํากติกาวัดกันว่า ผู้มีอายุพวกเราเรียนกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่แต่เว้นความถึงพร้อมด้วยข้อปฏิบัติพวกเราไม่อาจยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ยินดีได้อันหนึ่งประตูอบายก็เปิดแล้วสำหรับพวกเราทีเดียวเพราะฉะนั้นเว้นเวลาพิจารณาในตอนเช้าและเวลาบำรุงพระเถระตอนเย็น ในการที่เหลือพวกเราจะไม่อยู่ในที่แห่งเดียวกันสองรูปความไม่ผาสุจากจะมีแก่ท่านผู้ใดเมื่อท่านผู้นั้นตีระฆังพวกเราจักไปสำนักท่านผู้นั้นทำยาในส่วนกลางคืนหรือส่วนกลางวันอื่นนอกจากนี้พวกเราจะไม่ประมาทประกอบกรรมฐานเนึ่งเนื่องเมื่อภิกษุเหล่านั้นครั้นทำกติกาอย่างนั้นอยู่ ปลุกเขียนใจคนหนึ่งอาศัยธิดาเป็นอยู่เมื่อทุพพิภัยเกิดขึ้นในที่นั้นมีประสงค์จะอาศัยธิดาคนอื่นเป็นอยู่จึงเดินทางไปแม้พระเถรรัทั้งหลายเที่ยวไปบินบาบดในบ้านมาถึงที่อยู่อาบน้ําในแม่น้ําแห่งหนึ่งในระหว่างทางนั่งบนหาดทรายทําพัฒกิจในขณะนั้น บุุรนั้นถึงที่นั้นแล้วได้ยืนอยู่ณที่สุดส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระเถระทั้งหลายถามเขาว่าจะไปไหนบุุรนั้นบอกเนื้อความนั้นแล้วพระเถระทั้งหลายเกิดความกรุณาในบุุษนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านหิวจัดจงไปนำใบไม้มาพวกเราจะให้ก้อนพัดแก่ท่าน รูปละก้อนเมื่อเขานำใบไม้มาแล้วจึงคลุกด้วยแกงและกลับโดยทํานองที่จะฉันด้วยตนด้วยตนได้ให้ก้อนพัดรูปละก้อนทราบว่าธรรมเนียมมีดังนี้ภิกษุผู้จะให้พัดแก่ผู้มาถึงในเวลาฉันไม่ให้พัดตอนยอดพึงให้น้อยบ้างมากบ้างโดยทํานองที่จะฉันด้วยตนนั่นแหล เพราะฉะนั้นภิกษุแม้เหล่านั้นจึงได้ให้อย่างนั้นบุรุษนั้นทำพัฒกิจแล้วไหว้พระเถระทั้งหลายถามว่าท่านครับพวกพระผู้เป็นเจ้าใครในนิมนต์ไว้หรือภิกษุไม่มีการนิมนต์ดอกอุบาสกพวกมนุษย์ถวายอาหารเช่นนี้แหละทุกวันทุกวันทุกตะบุรุษคิดว่า เราแม้ขยันขันแข็งทำงานตลอดการเป็นนิตก็ไม่อาจได้อาหารเช่นนี้ประโยชน์อะไรของเราด้วยการไปที่อื่นเราจักเป็นอยู่ในสำนักของภิกษุเหล่านี้นี่แหละลำดับนั้นจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านี้ว่ากระผมปรารถนาจะทำวัดปฏิบัติอยู่ในสำนักของพวกพระผู้เป็นเจ้าภิกษุดีละอุบาสก เขาไปที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นกับภิกษุเหล่านั้นทำวัดปฏิบัติเป็นอันดียังพวกภิกษุให้รักใคร่อย่างยิ่งโดยล่วงไปสองเดือนปรารถนาจะไปเยี่ยมที่ดาคิดว่าถ้าเราจักอําลาพวกพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจากไม่ปล่อยเราเราจักไม่อําลาไปละดังนี้แล้ว ก็ไม่บอกแก่ภิกษุเหล่านั้นเลยออกไปแล้วทราบว่าข้อที่เขาไม่บอกพวกภิกษุหลีกไปเท่านั้นได้เป็นความพลังพลาดอย่างขนาดใหญ่ก็ในหนทางไปของบุรุษนั้นมีดงอยู่แห่งหนึ่งวันที่เจ็ดเป็นวันของโจร500ผู้ทำการบนบานเทวดาว่าผู้ใดจะเข้าสู่ดงนี้ พวกเราจะฆ่าผู้นั้นแล้วทําพลีกรรมแด่ท่านโดยเนื้อและเลือดของผู้นั้นแหละแล้วอยู่ในโดงนั้นเพราะฉะนั้นในวันที่7ห็ดอน้าโจรขึ้นต้นไม้ตรวจ ด, ดูพวกมนุษย์เห็นบุรุษนั้นเดินมาจึงได้ให้สัญญาณแก่พวกโจรโจรเหล่านั้นรู้ความที่บุรุษนั้นเข้าสู่กลางดงจึงล้อมจับเขาทําการผูกอย่างมั่นคง สีไฟด้วยไม้สีไฟขนฟืนมาก่อเป็นกองไฟใหญ่เสียมหลาวไวบุรุษนั้นเห็นกิริยาของโจรเหล่านั้นจึงถามว่านายในที่นี้ข้าพเจ้าไม่เห็นหมูและเนื้อเป็นต้นเลยเหตุไรพวกท่านจึงทำเหล่านี้พวกโจรพวกเราจะฆ่าเจ้าทำปรีกรรมแก่เทวดาด้วยเนื้อและเลือดของเจ้า บุรุษนั้นถูกมรณภัยคู่ขามไม่ได้คิดถึงอุปการะนั้นของพวกภิกษุเมื่อจะรักษาชีวิตของตนอย่างเดียวเท่านั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่านายข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนกินพัด ท, ที่เป็นเดนเติบโตขึ้นชื่อว่าคนกินเดนเป็นคนกาลกณนีก็พวพระผู้เป็นเจ้าแม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหนึ่งเป็นกษัตริย์ทีเดียว ภิกษุสารูปอยู่ในที่นอนพวกท่านจงฆ่าภิกษุเหล่านั้นแล้วทํากรรมเทวดาของพวกท่านจะยินดีเป็นอย่างยิ่งพวกโจรฟังคํานั้นแล้วคิดว่าคนนี้พูดดีประโยชน์อะไรด้วยคนกริร ก, กิรีนี้พวกเราจะฆ่าพวกกษัตริย์ทําพลีกรรมดังนี้แล้วจึงกล่าวว่ามาเถิดจงแสดงที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้น แล้วให้เขานั่นแหลเป็นผู้นำทางถึงที่นั้นแล้วไม่เห็นพวกพิสษุนในถ้ำกลางวิหารจึงถามเขาว่าพวกภิกษุไปไหนเขารู้กติกาวัดของภิกษุเหล่านั้นเพราะอยู่ถึงสองเดือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกภิกษุนั่งอยู่ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตนโจงตีระขังนั่นพวกภิกษุ จากประชุมกันด้วยเสียงระฆังกหน้าโจรตีระฆังนั้นแล้วพวกภิกษุได้ยินเสียงระฆังคิดว่าใครตีระฆังผิดเวลาความไม่ผาสุกจกมีแค่ใครถึงนี้แล้วจึงมานั่งบนแผ่นหินที่เขาแต่งตั้งไว้โดยลําดับตรงกลางวิหารพระสังฆเถระและดูพวกโจรแล้วถามว่าอุบาสก ใครตีระครังนี้หัวหน้าโจรตอบว่าข้าพเจ้าเองขอรักพระสังฆเถระเพราะเหตุไรหัวหน้าโจรเพื่อข้าพเจ้าบนบานเทพ ย, ายดาประจำดองไว้จังจับภิกษุรูปหนึ่งไปเพื่อต้องการทําพลีกรรมแก่เทวดานั้นพระมหาเถระฟังคํานั้นแล้วจึงกล่าวกับพวกภิกษุว่าผู้มีอายุ ธรรมดากิจเกิดแก่พวกน้องๆผู้เป็นพี่ชายต้องช่วยเหลือผมจักสละชีวิตของตนเพื่อเพืกอท่านไปกับโจรเหล่านี้ขออันตรายจง์อย่ามีแก่ทุกทุกท่านพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดพระอนุเถระกล่าวว่าท่านขอรับธรรมดากิจของพี่ชายย่อมเป็นภาระของน้องชายกระผมจักไป ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดโดยอุบายนี้ชนแม้ทั้ง30ลุกขึ้นพูดเป็นลำดับว่าผมเองผมเองด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหมดไม่เป็นบุตรของมารดาเดียวกันเลยไม่เป็นบุตรของบิดาเดียวกันทั้งยังไม่สิ้นหนึ่งราคาแต่กระนั้นก็ยอมเสียสละชีวิตตามลำดับเพื่อประโยชน์แก่พิกษุที่เหลือ บรรดาภิกษุเหล่านั้นแม้ภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าสามารถกล่าวว่าท่านไปเถิดมิได้มีเลยสังกิจจะสั ม, มนเนได้ฟังคำของภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าหยุดเถิดท่านขอรับกระผมจากสละชีวิตเพื่อพวกท่านไปเองพวกภิกษุผู้มีอายุเราทั้งหมดแม้จกถูกฆ่ารวมกันก็จักไม่ยอมสละเธอผู้เดียว สมณี น, นพระเหตุไรขอรับพวกภิกษุผู้มีอายุเธอเป็นสมณี น, นของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระพวกเราจะสละเธอพระเถระจักติว่าพวกภิกษุพาสมณี น, นของเราไปมอบให้แก่พวกโจรเราไม่อาจจะสลัดคำติเตียนนั้นได้ด้วยเหตุนั้นเราจะไม่สละเธอสมณีน ท่านขอรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพวกท่านไปยังสำนักพระอุปชาของกระผมก็ดีพระอุปชาของกระผมทรงกระผมมากับพวกท่านก็ดีได้ทรงเห็นเหตุอันนี้แล้วทั้งนั้นจึงส่งมาอยเถิดขอรับกระผมนี่แหละจากไปเองสามเณรนั้นไหว้ภิกษุทั้ง30รูปแล้วกล่าวว่าท่านขอรับ ถ้าโทษของกระผมมีอยู่ขอท่านจงอดโทษ ด, ดังนี้แล้วก็ออกไปความสลดใจอย่างยิ่งเกิดขึ้นแก่พวกภิกษุแล้วตาเต็มไปด้วยน้ำตาเนื้อหัวใจสั่นแล้วพระมหาเถระพูดกับพวกโจรว่าอุบาสกเด็กนี้เห็นพวกท่านก่อไฟเสียมเหลาลาดใบไม้จะกลัว ท่านทั้งหลายพักสามเณรนี้ไว้ในที่ส่วนหนึ่งเพึ่งทํากิจเหล่านั้นพวกโจรพาสามเณรไปพักไว้ในที่ส่วนหนึ่งแล้วทํากิจทั้งปวงได้เวลาเสร็จกิจหัวหน้าโจรชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณรสามเณรเมื่อนั่งนั่งเข้าฌานมั่นหัวหน้าโจรแกว่งดาบฟันลงที่คอสามเณรดาบงอ เอาคมกระทบคมัควมหน้าโจรนั้นสำคัญว่าเราประหารไม่ดีจึงดัดดาบนั้นให้ตรงแล้วประหารอีกดาบเป็นดังใบตาลที่หมวนได้ร่นถึงโคนดาบแต่จริงบุคคลแม้จะเอาภูเขาสิเนรุตทัพสามเณรในเวลานั้นชื่อว่าสามารถให้สามเณรตายไม่มีเลยจะป่วยกล่าวไปหญยถึงว่า จะเอาดาบฟันให้ตายหัวหน้าโจนเห็นปฏิหารนั้นแล้วคิดว่าเมื่อก่อนดาบของเราย่อมตัดเสาหินหรือต่อไม้ตะเคียนเหมือนโยกกล้วยบัดนี้ดาบของเรางอคราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งเกิดเป็นดังใบตางม้วนดาบชื่อนี้แม้ไม่มีเจตนายังรู้คุณของสมณี น, นี้เรามีเจตนายังไม่รู้ นายโจรนั้นทิ้งดาบลงที่พื้นดินเอา อ, อกหมอบเทบาใกล้เท้าของสมณเ น, น์เมื่อจะถามว่าท่านเจ้าข้าพวกผมเข้ามาในดงนี้เพราะเหตุต้องการซัย์วรษแม้มีประมาณพันคนเห็นพวกเราแต่ที่ไกลเทียวยังสัน่นไม่อาจพูดสองถึงสามคำได้ส่วนสำหรับท่านแม้เพียงความหวาดสะดุ้งแห่งจิต ก็ไม่ได้มีหน้าของท่านผ่องใสดังทองคำในปากเบ้าและดังดอกกันนิกาที่บานดีเหตุอะไรกันหนอจึงกล่าวคาถานี้ว่าตาโซเตนตินพยังพีโยวันโนปสัสสิติกสมานะปริเดเวสิเอวะรูปเปมหัพเยติความหวาดเสียวไม่มีแก่ท่าน ความกลัวก็ไม่มีวันนาผ่องสายยิ่งนักเหตุไรท่านจึงไม่คร่ำครวญในพระภัยใหญ่หลวงเห็นป่านนี้เล่าสัมเณรออกจากฌานเมื่อจะแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจร น, นั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เป็นนายบ้านขึ้นชื่อว่าอัตภาพของพระขี่นาศบย่อมเป็นเหมือนภาระคือของหนักซึ่งวางไว้บนศีรษะ เพราะขีนาศพบนั้นเมื่ออัตภาพนั้นแตกไปย่อมยินดีทีเดียวย่อมไม่กลัวเลยดังนี้แล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านัตติเจตสิกังทุขังอนะเปคสะคามาี้อติกันโตพยังสับบงังขีนะสั่งโยชนโนอสิขีนาอัศภาวะเนติ ดิธาธรรมมายาธาตธานิพยังมรนังโหติภาระโวโรปนังยาธาติท่านผู้เป็นในบ้านทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ไม่มีความห่วงใยท่านผู้สแสวงหาคุณสิ้นสังโยชตแล้วก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้ตัณหาอันนาไปสู่พบของพระขีณาศพนั้นสิ้นแล้ว ท่านเห็นทมแล้วตามเป็นจริงหรือโดยท่องแท้ความตายในวงเล็บของท่านหมดภัยดังปรงภาระลงฉะนั้นหัวหน้าโจร น, นั้นฟังคำสำเนตจนั้นแล้วแลดูโจรห0 0รอคนพูดว่าพวกท่านจะทําอย่างไรพวกโจรก็ท่านเล่านายนายโจรกิดในท่ามกลางเรือนของฉันไม่มี เพราะเห็นปฏิหาริเห็นปานี้ก่อนฉันจะบวชในสำนักพระผู้เป็นเจ้าพวกโจรแม้เราจะทำอย่างนั้นเหมือนกันนายโจรดีละพ่อลำดับนั้นโจรทั้ง500รอคนไหวาสามเณรแล้วจึงขอบรรพชาสามเณร น, นั้นตัดผมและฉายผ้าด้วยคมดาบของโจรเหล่านั้นเองย้อมด้วยดินแดงให้กรองผ้า การสายะเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ในศีลสิบเมื่อพาสมณเณรเหล่านั้นไปคิดว่าถ้าเราจะไม่เยี่ยมพระเถระทั้งหลายไปเสียพระเถระเหล่านั้นจกไม่อาจทำสมณธรรมได้จําเดิมแต่การที่พวกโจรจับเระออกไปบรรดาพระเถระเหล่านั้นแม้รูปหนึ่งก็ไม่ได้อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เมื่อพระเถระเหล่านั้น คิดอยู่ว่าสามเณรถูกโจรฆ่าตายแล้วหรือยังหนอกรรมฐานจากไม่มุ่งหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเยี่ยมท่านแหละจึงจากไปสามเณรนั้นมีภิกษุ500รรูปเป็นบริวารไปในที่นั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นกลับได้ความเบาใจเพราะเห็นตนแล้วกล่าวว่าสังกิจจาผู้สัพบรุษ เธอได้ชีวิตแล้วหรือจึงตอบว่าอย่างนั้นขอรับโจนเหล่านี้ใกล้จะฆ่ากระผมให้ตายก็ไม่อาจฆ่าได้เลื่อมใสในคุณธรรมของกระผมฟังธรรมแล้วบวชกระผมมาด้วยหวังว่าเยี่ยมท่านแล้วจากไปขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดกระผมจากไปสำนักพระศัสดาแล้วไหว้ภิกษุเหล่านั้น พาสำมนเณงนี้ไปยังสำนักพระประชาร์เมื่อท่านถามว่าสังกิจจาเธอได้อันเตวารสิกแล้วหรือจึงตอบว่าถูกแล้วขอรับดังนี้แล้วก็เล่าเรื่องนั้นก็เมื่อพระเถระกล่าวว่าสังกิจจาเธอจงไปเฝ้าเยี่ยมพระศาสดาเธอรับว่าดีละ่ะแล้วไหว้พระเถระ พาสามเณรเหล่านั้นไปยังสำนักพระศาสดาแม้เมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าสังกิจจาเธอได้อันเตมาสิกแล้วหรือจึงกราบทูลเรื่องนั้นพระศาสดาตรัสถามว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกภิกษุทูลรับมาอย่างนั้นพระเจ้าค่าจึงตรัสว่าความตั้งอยู่ในศีลแล้วเป็นอยู่ แม้วันเดียวในบัดนี้ประเสริฐกว่าการที่ท่านทำจรกรรมตั้งอยู่ในทุศีลเป็นอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสือปนุสสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาฐานี้ว่าโยจะวัสสสตังจีเวดุสีโลอัสมาหิโตเอกาหังจีวิตังไส ย, ยสี่ละวันตัสสะ ชายิโนติก็ผู้ใดทุศีนมีใจไม่ตั้งมั่นพึ่งเป็นอยู่หนึ่งรปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานประเสริฐกว่าในยวงเล็บความเป็นอยู่ของผู้นั้นแกะดรรงดาบทเหล่านั้นบทว่าดุซีโลคือไม่มีศีลบทว่าซี่ละวันตัสสะความว่า ความเป็นอยู่แม้วันเดียวคือแม้ครู่เดียวของผู้มีศีลมีฌานด้วยฌานสองประการประเสริฐคือสูงสุดกว่าความเป็นอยู่100ปีของผู้ทุศีนในเวลาจบเทศนาภิกษุแม้500นั้นบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกัน โดยสมัยอื่นอีกสังกิต จ, จะได้อุปสมบทแล้วมีพรรษาสิบจึงรับสามเณรไว้ก็สามเณรนั้นเป็นหลานของท่านเองชื่ออธิมุตตะสามเณรครั้งนั้นพระเถระเรียกสามเณรนั้นมาในเวลามีอายุครบส่งไปด้วยคําว่าเราจะทําการอุปสมบทเธอจงไปถามจํานวนอายุในสํานัก พวกญาติแล้วจงมาอาทิมุตกะรสามเณีนั้นเมื่อไปสำนักของมารดามิดาถูกพวกโจร500รคนเจอา่าให้ตายเพื่อต้องการทำพลีกรรมในระหว่างทางแสดงธรรมแก่โจรเหล่านั้นเป็นผู้อันพวกโจรมีจิตเลื่อมใสปล่อยไปด้วยคำว่าท่านไม่พึงบอกความที่พวกผมมีอยู่ในที่นี้แก่ใครๆ เห็นมัรดาบิดาเดินสวนมาทางก็รักษาสัจจะไม่บอกแก่มัรดาบิดาเหล่านั้นแม้เดินไปทางนั้นนั่นแหละเมื่อมัรดาบิดานั้นถูกพวกโจรเบียดเบียนคร่ำครวญพูดว่าเฉลยว่าแม้ท่านก็เป็นพวกเดียวกันกับพวกโจรจึงไม่บอกแก่เราโจรเหล่านั้นได้ยินเสียงแล้วรู้ความที่สมณเณรไม่บอกแกมารดาบิดา ก็มีจิตเลื่อมใสขอบร็ประชาแม้อาทิมุตตะสามนเณร น, นั้นก็ยังโจรเหล่านั้นทั้งหมดให้บวชแล้วเหมือนสังกิต จ, จ่าสามนเณรนำมายังสำนักพระอุปชาผู้อันพระอุปชานั้นทรงไปยังสำนักพระศาสดาพวกภิกษุเหล่านั้นไปกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาแล้วพระศาสดาตรัสถามว่าเขาว่าอย่างนั้นหรือ ภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกภิกษุทูลว่าถูกแล้วพระเจ้าค่าเมื่อจะทรงสื่อวนุสนทีิแสดงธรรมโดยในก่อนนั้นแหลจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโยจะวัสสตังจีเวดุสซีโลอสมาหิโตเอกหั่งจีวิตังเสยโยซีละวันตัสสะชายิโนติก็ผู้ใดทุศีน มีใจไม่ตั้งมั่นพึงเป็นอยู่100ปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานประเสริฐกว่าในวงเล็บความเป็นอยู่ของผู้นั้นในวงเล็บชื่อเรื่องอธิมุตตะสามเนนแม้นี้ข้าพเจ้าก็กล่าวไว้แล้วด้วยพระคาถานี้เหมือนกันเรื่องสังกิจสามเนร